วันนี้เป็นวันอาสาหะบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งพร้อมกันญาติโยมพี่น้องประชาชนได้มาบำเพ็ญกุศลวันนี้รู้สึกว่าตั้งแต่เช้ามารู้สึกว่าอุ่นหนาฟ้าข่างอบอุ่นมาจากจาตุระิศ จนถึงเย็นวันนี้มีการไหว้พระทำวัดเย็นก็มีคณะสัทธ า, าติโยมมาจากจารุรทิศมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อบำเพ็ญกองการกุศลคือรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติจิตภาวนาก่อนที่จะถึงจิตภาวนาก็จะได้ฟัง สมโมนิยกถาที่หลวงพ่อจะบรรยายอธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบได้ฟังความเป็นมาของวันอาสารหาบูชามีความหมายว่าอย่างไรแต่ท้าว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังมีแต่ได้ยินต่อต่อกันมาบางทีอาจจะคาดเคลื่อนไปได้ บางทีอาจจะไม่รู้จักสุดเลซ้ำไปว่าวันอัสรหะบูชามีความจําเป็นมากน้อยอย่างไรแค่ไหนในพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันอัสสรหะบูชาวันพรุ่งนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์เพราะนั้นเข้าพรรษาปีนี้พวกเราจะทำอะไรบ้างที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจิตจารักษณะเป็นการกระทา ทำรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นบุญให้เป็นกุศลให้มีสาระให้เป็นประโยชน์สําหรับตัวเองสังคมประเทศชาติที่เราเกิดมาแล้วไม่ให้เปล่าประโยชน์อันนี้เป็นการกล่าวย้ำเตือนมื้อเช้าให้แก่ทาชายาโยมทุกทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเย็นวันนี้พวกเราได้มาร่วมกัน ไหว้พระจากนั้นก็จะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันอาสาระบูชาความเป็นมาของวันอาสาระบูชาคือพระพุทธเจ้าของเราได้ตัดสรุ้ธรรมที่โครนต้นโพเมื่อ 2,500 กว่าปีวันเดือนหกเพน แต่วันนี้เป็นวันเดือน8เพนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุวันเดือนหเพนคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธรรมเมื่อท่านได้ตัดสรแล้วท่านเสวยวิมุติสุขในสถานที่ต่างๆบริเวณต้นโพประทับทีละหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ประทับทีละเจดวันเจดวันเจดวันจากนั้นท่าน ได้พิจารณาดูว่าธรรมะของพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ตัดสรู้ธรรมมาแล้วเนี่ยเป็นธรรมะที่ลุกซึ้งเป็นธรรมะทวนกระแสของโลกคือโลกมันไหลไปตามกระแสเหมือนกับ น, น้ำเนี่ยน้ำมันไหลลงไปทางต่ำแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นค้ า, ามันทวนกระแสน้าขึ้นมา มันไม่เหมือนมันไม่ได้ไปตามกระแสน้ำคือตามกระแสน้าคือชอบตามกิเลสราคะโทสะโมหะว่าเฉดสวยงดงามแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้พิจารณาตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรอย่างสมมติให้เห็นอย่างง่ายๆก็คือว่าพระพุทธองค์เห็นว่าคนเราทั้งหลายมนุษย์โลกทั้งหลายสัพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชาติชั้นวรณะใด เห็นมร่างกายสังขารเป็นของเสร็จสวยงดงามแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนในวันนั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ของเสร็จสวยงดงามนะอันนี้คล้ายๆมันทวนกระแสแล้วร่างกายของเราที่ไหนเขาว่าเสร็จสวยงดงามเกษาผมโลมาข น, นาขาเล็บพันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับหัวใจ ถ้าแยกส่วนแบ่งส่วนออกมาแล้วอันไหนคือร่างกายของเราอันไหนที่เป็นสิ่งที่ว่าเสร็จสวยงดงามพระพุทธเจ้าแยกแยะดูแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์บอกว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเสร็จสวยงดงามเป็นของอสุภะปฏิกูลนะอันนี้คล้ายๆกับพระพุทธองค์ทวนกระแสทวนกระแสของโลกที่ได้ตัดสุรุในวันนั้นในเดือน6กเพนวันนั้น เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วทีนี้เมื่อได้ตัดสู้ ร, รมท่านก็ได้เสวยวิมุตติสุขในสถานที่ต่างๆที่สะพุทจรินบ้างที่ตนนิโครบ้างที่ไหนบ้างในพระไตรปิฎกท่านบรรยายแต่พอมาครั้งสุดท้ายนี่พระพุทธองค์พิจารณาดูวารรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้นั้น ลึกซึ้งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าลวลงสักครู่นี้ว่าเป็นธรรมะที่ทวนกระแสจากนั้นพระพุทธองค์ก็ถ้าเราจะไปสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเขาจะฟังหลือเนี่ยเขาจะฟังไหมเขาจะเชื่อถือเราไหมเพราะโลกของเขามันไหลไปทางนั้นแต่ธรรมะที่เราจะไปพูดให้เขาฟังเนี่ยมันอีกมันทวนกระแสเขาจะฟังไหมเนี่ย พระพุทธองค์ก็ท้อพระไทยคือท้อพระไทยว่าถ้าเราไปสอนเขาเนี่ยจะไม่ลำบากเปล่าหรือมันจะได้ผลหรือเขาจะเชื่อฟังเหรือโลกน่ยนี่นพระพุทธองค์ท้อพระไทยในการจะประกาศสัจธรรมพระพุทธองค์ก็เป็นผู้ข้นขวายน้อยคือไม่อยากจะแสดงธรรมไม่อยากจะโปรดสัตว์ในเมื่อเราได้ตัดสรตธรรมแล้วก็เราคงจะ อยู่ไปสักชั่วระยะหนึ่งก็ดับขันปรินิพานจะไม่สอนโลกอีกเนี่ยจุดนี้คือพรมอ่ามาาราธนาพระพุทธเจ้าพรมมาจโลกาทิปติสหมปฏิคืออาราธนาพระพุทธองค์บอกว่าสรรพสัตว์ในโลกผู้มีทุลีหรือกิเลสเบาบางยังมีอยู่เหมือนกับพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ก็เป็นมนุษย์พุทธองคออ์ก็ปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะพ้นทุกได้สรรพสัตต์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมเขาก็จะไใจตรองตามเหตุและผลที่พระพุทธองค์จะแสดงธรรมสัพพสัตต์เหล่านั้นคนเหล่านั้นมนุษย์เหล่านั้นทเทวดาเหล่านั้นเขาก็คงจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล ตามที่พระพุทธองค์แนะนําสั่งสอนพระพุทธองค์ก็พิจารณาดูแล้วท่านก็ย้อนกลับมาหาตัวของท่านอีกว่าเรานี่ก็เป็นมนุษย์แต่เราได้ตัดจรู้ธรำแต่เรานําธรรมที่เราได้ตัดจรู้เนี่ยไปแนะนําสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายเขาก็คงจะรู้ได้เห็นได้เพราะนั้นท่านจึงได้ตัดสินพระทัยว่าจะประกาศสัจธรรม ประกาศ ธ, ธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรุแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้พิจารณาดูว่าธรรมะที่ได้แล้วเนี่ยสมควรจะสอนใครก่อนเพราะธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนกะว่าเราจะปลูกฝังที่ตรงไหนก่อนเหมือนกับว่าเราได้พืชพันธุ์ผลละหมากรากไม้อย่างดีแล้วจะลงไปหวานที่ไหน จึงจะเกิดผลงอกเงยงอกงามขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์อันนี้พระพุทธองค์ก็มองหาที่จะปลูกฝังพืชคือธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้แล้วจะไปเทศโปรดชนกลุ่มใดบุคคลใดในในยุคนั้นพระพุทธองค์ก็น้อมจิตไปถึง ด า, าราดบทพรอุตกระดบทที่เป็นอาจารย์ของท่านคือก่อนที่ท่านจะได้ตัดสรุธรรมท่านได้บาเพ็ญลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด เ, เมื่อท่านเข้ามาบวชแล้วท่านก็ได้ไปศึกษากับดาลาดบทอุตกระดบทคือเป็นลือีทั้งสองท่านแต่เป็นคณาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ลือีทั้งสองท่านเนี่ยท่านบําเพ็ญไปทางฌานบําเพ็ญไปทางฌาน แต่ยังไม่ไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมแต่ว่าเมื่อท่านทั้งสองตายไปขณะที่ท่านบําเพ็ญท่านทั้งสองก็ไปสู่พร ม, มโลกไปสู่พรมนานเท่านานทีเดียวแต่แตอนนี้พระพุทธองค์ท่านก็ว่าเราควรจะไปเทศให้แก่ฤาษีทั้งสองท่านนี่แหละเพราะท่านบําเพ็ญมาอย่างอุกติลเรียกว่าเดินทางมาอย่างที่เราบําเพ็ญมา แต่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นเองแต่เราควรจะไปแนะนําต่อยอดให้ท่านลือศีทั้งสองนั้นแต่เมื่อพระพุทธองค์เนกไปดูแล้วลือศีทั้งสองนั้นเพิ่งตายไปหมาดๆตายไปใหมๆ่ๆเอาตายไปเมื่อเร็วๆนี้เองพระพุทธองคโอ์โอ้หมดโอกาสพระพุทธองค์ไม่สอนคนตายไเลอไม่สอนคนตาย เมื่อตายแล้วก็ไปว่าจบกันแต่นี้พระองค์ก็เมื่อเห็นดูสีทั้งสองท่านมรณภาพลงไปแล้วท่านก็พิจารณาไปหาชนกลุ่มอื่นต่อไปท่านก็พิจารณาไปไปเห็นปัญจวคีทั้งห้าที่มาดูแลอุปธรรมประถาท่านตั้งแต่ท่านเสด็จออกบวช เมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกมาบวชชั่วระยะหนึ่งจากนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกนทัญยะวัปปะพัทธิยะมหานามะอจ ช, ชิก็เดินทางตามหาพระพุทธเจ้าเดินตามหาสิทธะว่าจะได้บำเพ็ญจะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตามที่พรามได้ทานายไว้แล้วเหลพรามร้อย8คนก็คือโกนทัญยะพรามอีกคนหนึ่งที่ทานาย ทายทักพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นอย่างอื่นพราหมณ์คนอื่นเขายัางทํานายเป็นสองถ้าว่าอยู่เป็นครว่าจะได้เป็นพระเจ้าจกักรพรรดิถ้าว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนอื่นเขาทํานายเป็นสองแต่โกนทันยะพราหมณ์ท่านทํานายหนึ่งเดียวเท่านั้นว่าสิทธะจะต้องได้บวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเหตุนณณั้นเมื่อพระพุทธเจ้า หนีออกมาบวชเสด็จออกมาบวชอัญญาโกณธัญญาเขาเลสมัครพรรคพวกที่เป็นลูกของพราหมณ์อาจารย์ที่เข้าไปทํานายพระพุทธเจ้าคือพราหมณ์เหล่านั้นบางท่านก็ได้สั่งลูกเอาไว้ว่าพ่อเนี่ยคงอายุไม่ยืนจะได้เห็นสิทธัตถะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนั้นถ้าหาว่าสิทธัตถะออกไปบวชขอให้พวกท่านทั้งหลาย ตามไปนะตามไปดูตามไปปฏิบัติในเมื่อศิทธฐานได้ตัดสู้แล้วท่านจะได้สอนธรรมะให้แก่พวกท่านพวกลูกทั้งหลายพวกลูกลูกก็จะได้ตัดสูรร้ทำจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้คือเป็นตำราพรมเขายึดถือกันมาเป็นเวลานมนา น, นคือฤาษีชีภัยท่านมีตาราเขียนเอาไว มายืดยาวทีเดียวหลายชั่วคนผู้ที่เป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ปริศารักษณะอย่างนี้จะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือหัวเฮ็อย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าก็เข้าตำราทั้งหมดที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามตำราของพราหมณ์ในยุคสมัยนัดจากนั้นท่าน เมื่อออกไปบปําเพ็ญโกรนธัญญาาพราหม์กับลูกของพราหม์ทั้งหลายที่ได้ทํานายทายทักพระพุทธองค์ก็ได้ออกติดตามพระพุทธเจ้าไปเฝ้าปนนิบัติพระพุทธเจ้าคือปนนิบัติสิทธัตถะคอยเช้าคอยเย็นว่าพระพุทธเจ้าว่าสิทธัตถะจะได้ตัดสรุปธรรมจะได้ตัดสรุปเป็นพระ พุทธเจ้าจ้องมองอยู่ตลอดเวล่ำเวลาดูแลปฏิบัติสิทธิ์อยู่ตลอดเวล่ำเวลาสิทธิ์ฐาท่านก็บาเพ็ญทุกอย่างจนวาระสุดท้ายท่านก็บาเพ็ญเรื่องอดภัยาหารทําทุกขกิริยาคืออดภัยาหารถึง49วันไม่ทานอาหารเลยจนร่างกายสิทธิ์ หอมลงอย่างมากๆทีนี้พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็จ้องมองเอาแน่ละเขาวนี่บําเพ็ญอย่างอุกฤษและถึงเข้าขั้นและต้องสําเร็จแน่ๆละ่ะปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีแต่จ้องจะได้จะได้สําเร็จแต่ตอนี้พระพุทธองค์สีธะทาเนี่ยท่านบำเพ็ญบาเพ็ญไปท่านบอกว่าไม่ใช่หนทางที่จะอดภักยาหารอย่างนี้ ไม่มีศาสดาใดหรือไม่มีศาสนาไหนไม่มีลัทธิไหนที่จะอดอาหารยิ่งไปกว่าเราเพราะฉนั้นอันนี้คงไม่ใช่ทางจากนั้นพระโตองค์สิทธัตถะท่านก็เลยถอยกลับคืนมาเสวยพระกาหารแต่นี้เมื่อเสวยพระกาหานปัญจวคีร์ทั้งหผิดหวังผิดหวังในการประพฤติปฏิบัติของสิทธัตถะจะไงต้องร้องสําเร็จแน่ละคราวนี่เอาจริงจังละ่ะสิทธัตถะ อ่าไอโคนที่จ้องมองกับจ้องมองเหมือนกับนักมวยขึ้นไปชกบนเวทีพวกอยู่ข้างเวทีก็เอาแน่ละคาานี้ลูกพี่ต้องนอกแน่กิเลสลักษณะอย่างนั้นแ่ละแต่ทีนี้สิทธะไม่มีโอกาสที่จะนอกกิเลสภายในพระไทยของพระองค์ลงได้ท่านก็ย้อนกลับมาสวยภรรยาอาหารอีกในเมื่อสวยภรกยาาหารปันเจวคีทั้งห้าเห็น มดศรัทธาเหมือนกันเถอะคือตั้งจอตั้งจิตตั้งมั่นแล้วว่าสิทธถจะได้สำเร็จแต่ทีนี้พอเห็นอย่งงางนั้นก็เกิดความไม่เชื่อถือในสิทธิออ์แล้วก็ลักษณะปลามาด ต, ต่างหากไม่ได้สาเร็จดอกสิทธิคคายความเพียนเสียแล้วเวียนมาเป็นคนมากๆสวยภรรยาหารเหมือนคนทั่วๆไปไม่มีอะไรที่จะได้สำเร็จมากผล ปะพวกเราหนีนี่แหละสาเหตุที่ปัญจวคีทั้งห้าหนีจากสี ธ, ธาตุจากนั้นอัญญากณทายวะปะพัทธิยมหานามะอัจฉิทั้งห้าหลือศีนี่ก็หนีออกไปหนีออกไปจากที่อยู่ของพระพุทธเจ้าหนีออกไปจากที่อยู่ของสี ธ, ธาตุทันี้พอหนีออกไปสี ธ, ธาตุก็อยู่ตามลาพังพระองค์ เนี่ยเมื่ออยู่ตามลำพังพระองค์ก็เป็นผู้โดดเดี่ยวโดดเด่นขึ้นมาจากนั้นพระพุทธองค์ก็ถึงวันเดือนหกเพนเนี่ยเป็นวันที่จะได้ตัดสรุธรรมก็มีบุพพณิมิตหลายอย่างแสดงปรากฏให้สิทธะแต่หลวงพ่อไม่ขอกล่าวจากนั้นพระพุทธองค์ก็ ได้ในายโสธิยะนำยาคา8ปดกำมือเดินผ่านมาก็ถวายพระพุทธเจ้าคือสิทธายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นสิทธาอยู่สิทธาทั้งก่อนนำยาคา8ปดกำมือมาเกลี่ยลงที้โคนต้นโพงเง่าต้นโพงจากนั้นพระองค์ก็สิทธาก็ขึ้นไปนั่งยาคาที่ทนายโสธิยะ นำมาถวายหรืมอบให้จากนั้นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกในตอนเย็นของวันคืนวันเดือน6เพนก็คงจะเป็น14บสี่ค่ำก็มัง้งนะเพราะได้ตัดสิรู้เป็นวันเดือน6เพนเนี่ยท่านก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้พวกเราฟังเอาไว้นะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสิรู้นั้นคือกรรมฐานอะไรนี่ เราตอบไปเลยว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นหายใจออกยาวให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นั น, นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าจากนั้นท่านก็ได้ภาวนาจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง จนเกิดญาณทัศนะขึ้นมาตอนหัวค่าปุบเพรเนวาสานุสติญาณรละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละญานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นั่นคืออะไรความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้มานั่นคืออะไรเราก็ตอบได้เองว่าพระพุทธเจ้าได้รู้ธรรมะสามอย่างในคืนวันนั้นที่ได้ตัดสู้ธรำคือปุบเพรเนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ตอนหัวคำ่ำตอนหัวค่าก็คงจะประมาณสักสาม สามถึงสี่ทุ่มลงมาหาหัวค่ําจากนั้นจากสี่ทุ่มขึ้นไปจุตูปะปะตาตยานการจุติของสัตว์พระพุทธองค์ก็รู้ได้ว่าวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากร่างนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้ได้อีกอันนี้แปลว่ามัดชิมมยามคือตั้งแต่สี่ทุ่มไปถึงตีหนึ่งตีสองแปลว่าเที่ยงคืน พอจากนั้นมาพุทธองค์ก็ไม่ลดละในการพิจารณาของพระองค์ก็น้อมจิตถึงใจของพระองค์ว่าวิญญาณนี้เกิดมาจากไหนทําไมจึงมีวิญญาณทําไมจึงมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นตอนี้พุทธองค์ก็น้อมจิตไปถึงปฏิจจสมุปบาทพิจารณาถึงใจนี้เกิดมาจากอะไรจากไหนพุทธองค์รู้ได้ทีเพียงว่า เกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสรุปแล้วก็คือวิญญาณเกิดมาจากตัวไม่รู้เกิดมาจากตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างค่าราปัจจยาวิญญาณนะมีเรื่องราวขึ้นมาจนถึงโศกะปริเทวตุขโทมณ ส, สุความทุกข์ความโศกร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายเกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้ อันนี้พธองค์ก็พิจารณาถึงตัวนั้นจากนั้นก็ใช้ตปรธรรมคือศินสมาธิปัญญาพิจารณาจากนั้นก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพทธองค์ก็ปล่อยวางพรองค์ก็บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการพิจารณาปฏิจิจสมุปบาทนี่แหละคือความรู้ของพระพุทธเจ้าในคืนนั้นได้ตัดสรุธรรมสามอย่าง ปุเพในวาสานุสติยานจูตูปะปาตยานอาสาวกยญาณในเมื่อได้ตัดสิรูแล้ววันรุ่งขึ้นพระโต้งก็ได้เสวยวิมุตติสุขอย่างที่ว่าเนี่ยแห่งละเจวันแห่งละเจวันเจ็ดวันเจดวันจากนั้นท่านก็ได้ย้อนระลึกถึงอาจารย์ของท่านที่ให้ความรู้ท่านก่อนที่ท่านบำเพ็ญอยู่คือตาราดบทอุตรกาดาบท ท่านก็นลมหายตายจากไปเมื่อวานนี้จากนั้นท่านก็นย้อนไปถึงปัญจวคีรังห้าปัญจวคีรังห้าในขณะที่พระพุทธองค์บําเพ็ญปัจจวคีทั้งหกากับสิท ธ, ธัตถะคายความเพียรเวียนไปเป็นคนมากๆเสร็จแล้วทานอาหารเสร็จแล้วไม่ได้ตัดสรุปไม่ได้บรรลุธรรมแน่ก็เลยหนีออกจากสิทธัตถะไปแต่พระองค์อยู่ตามลําพังพระองค์บําเพ็ญพระองค์ได้สําเร็จได้ตัสรุปธรรม ในขณะที่พระอัญญาโกนทยะปัญจวัคคีย์ทั้งหไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ด้วยทีนี้ท่านก็ไปประทับอยู่อีกใกล้เมืองพราราณสีอีกด้านหนึ่งพพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้ธรรมแล้วท่านก็จะไปสอนใครเมื่อพรารณาถึงดาบททั้งสองก็หมดโอกาสเพราะตายไปแล้วแต่นั้นท่านก็มองเห็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เป็น ผู้ดูแลอุปถัมภ์ป่าถางเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพระองค์แต่ว่าว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดสัตวธรรมก็เลยแยกตัวไปหนีไปอีกไปอยู่ตามลําพังกลุ่มหนึ่ง5องค์ทีนี้พุทธองค์ก็เมื่อตัดสินพระทัยแล้วจะประกาศสัจธรรมจะสอนเวนัยศาสต ร, ร์แล้วก็มองไปเห็นปัญจาวิกีท่านกดเดินดุ่มไปตามลําพังพระองค์ เดินไปเรื่อยๆไปหาปัญจวัคคีย์ท่านี้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเนีความอยู่ในใจแค่แค่วัตถิทิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างมองเห็นศิทธะมาแต่ไกลมีบาทมีบริขารมาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าท่านก็นบอกว่านั่นเห็นว่าสิทธะมาหาพวกเราแล้วไม่มีใครปนในบาดท่านเออไม่มีใครปนิบัตดศิทธะเดินมาหาเราเหรอเห็นไหม พวกเราอย่าอย่าลุกรับนะไม่ต้องไปตอนรับขับสู้อะไรทั้งหมดปูอาชนะให้ทีหนั่งแล้วก็พอละจัดน้ำให้ซะเราทำท่าเฉยๆนี่ไปว่าสิทธะมาหาพวกเราจะให้พวกเราปฏิบัติอีกอย่างเก่านั่นแหละแต่เราอย่าไปรับนะท่านไม่ได้ตัดสรุปทำอะไรหรอกความในใจของปัญจวคีทั้งห้าคือพูดกันไวเห็นสิทธะมาแต่ไกล ตั้งกฎกันไวเไพรางั้นเถะทรายพรมาใกล้ๆเข้ามาเพระพุทธเจ้าเดินใกล้เข้ามาปัญจะวะคีทั้งหที่ตั้งกฎเกณฑ์กันเอาไว้ลืมหมดว่างั้นเถะเพราะเหตุใดเพราะว่าสิทธัตถะเคยเป็นเจ้านายมาก่อน เ, ออเป็นเจ้านายมาก่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินของตัวเองมาก่อนออจะมาแข่งกระด่างง่ายๆ ก็เลยลืมกฎกติกาคนหนึ่งวิ่งเข้าไปรับบาทคนหนึ่งวิ่งเข้าไปรับผ้ากีวรคนหนึ่งไปเตรียมนั่งล้างน้ำล้างเท้าเอ่คนหนึ่งก็ขึ้นไปจัดอาสนะที่นังเอ่หจากนั้นก็พอรับเสร็จแล้วก็ตากผ้ากีวงกีวรวางบริขารเสร็จเรียบร้อยพระพุทธองค์ก็ขึ้นไปนั่งอาสนะพอนั่งอาสนะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่แสดงความเคารพเพราะไม่เชื่อในใจว่าศิรษาจะได้ตัดสรุธ ร, รม พระพุทธองค์ก็พยายามพูด เ, เป็นไงพวกท่านสบายดีหรือเป็นยังไง เ, เราได้ตัดฉรุแล้วนะลักษณะนีน้คือใครข้าว่าบอกกล่าวปัญจวคีแต่ปัญจวคีเนี่เฉยไม่ได้สนใจว่างั้นเถอะแปลว่าความไม่เชื่อในใจมีอยู่แล้วฝังอย่างลึกเลยว่างั้นเถะพระพุทธองค์ก็เตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกปัญจวคีก็ไม่ฟังพวกความไม่เชื่อ ตอนี้พระองค์ก็เลยพูดด้วยคําจริงขึ้นมาปันจวคีพวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งห้าเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าเราได้ตัดสรูุปรำแล้วเราได้รู้ทำแล้วคํานี้พวกเธอได้ยินไหมก่อนหน้านี้อัญญาโกนธัญญาเป็นหัวหน้าเออใช่ไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินเพราะเหตุ น, นั้นพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟัง เราจะแสดงธรรมที่เราได้รู้ได้อมตะธรรมเนี่ยจะเทศให้จะพูดให้พวกท่านฟังแต่ีปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าที่เป็นประธานเมื่อได้ยินคํานี้เข้ามาก็สะดุดใจก็นั่งนิ่งฟังนี่แหละพระพุทธองค์จึงได้แสดงธรรมมัจจั ก, กปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกในพระพุทธ ศ, ศาสนาคือว่าธรรมัจักคือจักหมุนไปเป็นจักรธรรมว่างั้น คือเหมือนกับองลอกหมุนไปข้างหน้าหมุนไปหาความเจริญหมุนไปเพื่อตัดกิเลสตัดภพตัดชาติตีนี้เพื่ออัญญากนธัญะฟังไต่ตรองที่พระพุทธองค์แสดงให้ฟังเรื่องมรรคแปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปวาจากรมมันตอัชีโวไวยมุสติสมาธิจากนั้นกันเรื่องกามตัญหาภาวตัญหาวิภวตัญหาจากนั้นก็การปมเพญ พระพุทงก็บอกว่าอัตากิลมัฏฐาการมัศุขันลิกาการมัศุขันลิกาคือไม่มีการบําเพ็ญเสียเลยก็ไม่สามารถที่จะได้สัพเพตมรรคผลได้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาการบําเพ็ญแบบสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอัตากิลมัฏฐาการบําเพ็ญให้ลําบากเปล่าคล้ายๆว่าบําเพ็ญอย่างที่พระ พ, พุทธเจ้าบําเพ็ญอดภิกขยาหารอย่างนั้นนะ มันบอาอัต ก, กิลมัฏาบบำเพนแบบอุกฤษทรมานกายและมัมจิมาปฏิปทาเดินทางสายกลาง <Yeah. S 1> การมาสุขันลิกานเนี่ยแปลว่าไม่ได้บำเพนอยู่แบบตามลำพังอันนี้ก็คือพระพุทธองค์เทศโปรดปัญจวคีปัญจวคีก็เข้าใจในเรื่องการบำเพน จากนั้นพระธองค์ก็ตรัสไปถึงปรวัตสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาอันนี้คือคือหัวใจที่พระอัญญาโกณทัญญาได้ตัดรู้ธรรมในวันนั้นคือได้บรรลุธรรมในวันนั้นหัวใจของธรรมจักรสรุปแล้วก็คืออ น, นิจจังท่านเองพราะพุทธองค์เทศให้พระอัญญาโกณทัญญาหรือบบว่าปัญจวคีทั้ง5เห็นอ น, นิจจังคือของไม่เที่ยง เพานั้นอา ญ, ญาโกนธัญญาได้สําเร็จพระโสดาบัดพระอา ญ, ญาโก น, นัญญากรยอมสารภาพเลยว่าพระธองค์พูดมีเหตุผลถูกต้องข้าพเจ้าขอเคารพข อ, ข อ, ขอนับถือขอเลื่อมใสในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพุทธองค์ได้บรรลุธรรมพระธองค์ก็รับรองโอ้โกนธัญญารู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอให้ข้าพุทธองค์ก็ได้ผลได้ผลที่ว่าท่านได้บําเพ็ญมา ที่ได้พระธรรมมาแล้วจะมาสอนให้แก่คนก็พูดลงไปเพียงครั้งเดียวพระอัญญาโกลทันยะได้บรรลุธรรมคือพระโสดาบันจากนั้นก็ขอบวชในพุทธศาสนาอันนี้ก็คือวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้ววันนี้เป็นวันพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสง์เกิดขึ้นในโลกสมบูรณ์บริบูรณ์คือพระไตรพระไตรสารณาคมหรือว่า สถานะของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในวันนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ในวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีให้หลังในตะกอนมีแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมได้ตรัสรู้พระธรรมแต่เน้นพระพุทธเจ้าได้นำพระธรรมมาเผยแพร่เทศนาว่าการให้แก่มวลมนุษย์ท่านตรัสมาเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีปัญจวัคคีได้สําเร็จ เป็นวันแรกคือวันนี้วันอัสสระบูชาจากนั้นวันต่อมาพระโต้งกเทศให้ปัญจวกีทั้งห้า อ, อีกอ น, น, นัเทศอนัตตรักนสูตรคือรองลงมาจากท ร, รมจากกัปปวัตนสูตรเทศเป็นการที่สองปัญจวคีทั้งห้าได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทั้งห้ารูปในเมื่อได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพวระโตองค์ก็ประกาศว่าเออ เราได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วให้พวกเราไปคนละทิศทางกันเพื่อไปประกาศสัจธรรมให้แก่มวลมนุษยชาติเพื่อเปิดดวงตาเขาให้ดวงตาเขาเห็นธรรมคือเปิดใจของเขาไม่ให้เขารุ่มหลวงมัวเมาด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะปัญจวะคีร์ทั้งห้าท่านก็ไปคนละทางกันพระพุทธเจ้าก็ไปอีกทางหนึ่ง ไปคนละทางกันไปประกาศสัจธรรมประกาศให้คนทั้งหลายใ ห, ใ, หให้รู้จักมกรู้จักผลนี่แหละแต่นี้พทธองค์ก็ไปไปเจอพญสากุลบุตรพญสากุลบุตรท่านเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในหอปราสาทเจ็ดชั้นแต่พออยู่มาอยู่มาตะกอนก็สนุกสุขสบาย แต่พอบารมีของท่านแก่กล้าขึ้นมาแล้วท่านอยู่ในปราศาทตรุ่มร้อนไปหมดเห็นคนทางหลายก็เหมือนกับอยู่ในป่าช้าผีดิบท่านหาความ ส, สนุกสุขสบายไม่ได้ในการเป็นอยู่ของท่านท่านก็เดินดุ่มออกมาจากหอปราศาสตรของท่านหนีออกมากลางคืนเลยเหมือนกันเถิดคล้ายๆกับมันสรวนวุ่นวายหมดเพราะบารมีของ ของท่านแก่กาแล้วท่านก็เดินเข้ามาแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเดินเข้ามาในปา่าป่าช้าที่นี่บุ่นวายเนาะที่นี้ขัดข้องเนาะที่นี้บุ่นวายเนอะที่นี้ขัดข้องนะโผดบน่นมาพระพุทธองค์ท่านก็อยู่ในป่าประทับอยู่พระพุทธองค์ว่ายศสะที่นี่ไม่บุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องเข้ามาที่นี่พระยศสาเห็นได้ยินอย่างนั้นก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพรุทธเจ้าพร ะ, พ อ, งพระพองก็เทศธรรมะให้ฟัง ยศได้สำเร็จพระโสดาบัตในคืนนั้นพอตอนเช้ามาที่พยศพ่อแม่ของพยศบริวารของพยศาตามหาพยศสาว่ไปไหนถามหาลูกชายผลที่สุดก็ได้มากราบพระพุทธเจ้ามากราบพระพุทธเจ้าพุทโอกระเทศให้ฟัง พ่อแม่ของพยศะพัญญาของพยศะได้สําเร็จพระโสดาบันท่านเหล่านั้นได้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นคนแรกของโลกเอออันนี้คืออุบาสกที่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งคือพ่อแม่ของพยศเออนี่แหละการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์เมื่อเทศเสร็จแล้วก็อบรมพยศะ ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับหมู่พวกเพื่อนของท่านสามสิบองค์มาจากนั้นก็เข้าไปกรุงราชสัก์ล้ทีนี้เอ่อก่อนจะเข้าไปกรุงราชสักข์เนี่ยจะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะไปโปรดอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าท่านก็วางแผนเมื่นกันนะบริหารจัดการต้องมีทุกยุคทุกสมัย เพราะพระพุทธองค์ก่อนที่จะไปโปรดพระเจ้าพิพิสานเนี่ยจะไปโปรดดุ่มๆพระเจ้าพิพิสานคงไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าศิตฐานนี่คือใครเป็นที่ไหนอย่างไรทีนี้พระพุทธองค์ก็ไปโปรดไปเทศชดินที่พระเจ้าพิพิสานเคารพอย่างยิ่งมากั้นเถอสมัยนั้นก็คือพระเจ้าพิพิสานเนี่ยเคารพชดินสามพี่น้องคือฤาษีสามพี่น้องทีนี้พระพุทธองค์ ก็เข้าไปโปรดชดินทั้งสเออก่อนที่จะโปรดได้ก็ไม่ใช่ของนั้นเหมือนกันนะต้องใช้อิทธิฤทธิ์พอสมควรเหมือนกันแต่เออเรื่องที่จะเทศให้คนยุคนั้นสมัยนั้นฟังไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันเออต้องใช้อิทธิฤทธิ์โปรดชดินสามพี่น้องท่านก็เชื่อถือในพระพุทธเจ้าพระธรรมสูง จากนั้นท่านก็บวชทั้งสามพี่น้องพันพันกับสมองค์อุลุเวลากัปะนาทีกตปะขยะกตปะหรือสีสามพี่น้องอุรุเวลากัปะนาทีกัปะขยะกตปะแล้วมีบริวารอีกพี่ชายใหญ่ห้าร้อพี่ชายสองสมรอน้องชายเล็กห0ึรวมแล้วเป็นหนึ่งพันกับสมองค์ ที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดจากนั้นก็นากองทัพพระสงฆ์พันก้าสามองค์เนี่ยเข้าไปกรุงสู่กรุงราชคฤห์เลยท่นเนยอพอคนทั้งหลายก็เห็นชัดินมากับพระพุทธเจ้าเขาก็ยังสงสัยว่าชัดินสามพี่น้องเนี่ยกับสิท ธ, ธิฐานใครเป็นอาจารย์กันแน่นเขายังสงสัยอย่างนั้นอีกพระพุทธองค์ก็บอกให ท่านอุลุเวลานาทีขัตตปะสามพี่น้องเออท่านเป็นหัวหน้าคืออุรุเวลาขัตตปะเขาสงสัยนะบริวาลของท่านสงสัยนะว่าเรากับท่านเนี่ยใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะฉะนั้นประกาศให้เขาหายสงสัยพระองค์บอกให้อุลุเวลาจากนั้นท่านอุลุเวลาก็แสดงฤทธิ์อีกเหมือนกันหอขึ้นบนอากาศลงมากราบพระพุทธเจ้าหอขึ้นไปอีกกราบถึงสามครั้งหมด พบพุทธเจ้าสิทธะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าสิทธะพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าประกาศให้คนรับรู้รับทราบคนทั้งหลายก็ยอมสิโลราบเลยโอ้โหขนาดเออชัดินที่เราเคารพนับถือถึงขนาดนี้ยังยอมตัวถึงขนาดนี้สิทธะนี่จะขนาดไหนสิทธะพุทธเจ้านี่จะขนาดไหนจากนั้นเขาก็ มีความสนใจคือเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็เหมือนกับหงายของที่คว่าํเาเหมือนกับหงายหม้อหรือหงายกระมังที่คว่าอยู่แล้วเนี่ยคอยรับคอยรับพระธรรมของพระพุทธเจา้าจากนั้นพรธองค์ก็ได้เทศนา ว, ว่าการให้แก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นประธานพร้อมกับบริวารพุทธบริษัทท่านเหล่านั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลฟังฟังดูแล้ว11น่าหดว่างั้นนะ คนเป็นทั้งเมืองเลยอย่างน้อยกันว่าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากคนนั้นเป็นพระโสดาสกต า, าคาณาคาเป็นพระาราษมีมากจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดป่าเวลุวันกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกที่ถวายวัดปาวว่โโ า, า, ดปาเวลุวันหลังน้ําทักกิโนทกถวายสวนอุทยานวัดป่าเวลุวัน ต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธเจ้าในรัฐพระพุทธเจ้าสร้างวัดเป็นครั้งแรกก็คือที่กุงุงราชคกุล อ, อันนี้คือความเป็นมาของพุทธประวัติถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาก็คงจะความเป็นมาของพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไงนี่แหละความเป็นมาเป็นขั้นตอนอย่างนี้ส่วนพระเถระปัญจวัคคีทั้ง5โกนทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามาจัชชิ ท่านก็เดินสายของท่านไปที่ท่านไปเดินไปเข้าสู่กรุงราชคือท่านไปบินทบาตทพระโมคคาลากระสาลีบุตรอุปติสากระโมกคลาเนี่ยตั้งกติกากันไว้ว่าท่าวะไข่ไปเห็นได้บรรลุธรรมก็ให้มาบอกกล่าวกันอันนี้แต่ท่านจะเป็นอั克拉สาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็เสาะแสวงหาคนอธิตทางกัน ภาษารีบุตรไปเห็นพระอาชชิในบรรดาปัญจวคีทังหงาพอเดินไปเห็นเอนักบวชประเภทนี้พึ่งเห็นศีสระโลนคองผ้ากาสาวะแต่ดูอากับกิริยาแล้วหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสหน้านับถือการถอยหน้าถอยหลังเหลือบซ้ายแลกว่าการก้าวไป เหมือนกับมีสติอยู่ตลอดเวลำเวลาเอส ม, มณะคนนี้น่าสนใจเ อ, อันนี้คือนักปราดนะท่านพระสารีบุตรเนี่ยสมัยนั้นท่านยังเป็นอุปติสสะคือยังเป็นโยมอยู่นะท่านมองเห็นแต่แต่เป็นผู้มีปัญญาเลิศในยุคสมัยนั้นว่าเป็นผู้มีปัญญาเลิศท่านมองเห็นอจฉิอากัปกิริยาท่านเคารพนับถือเรื่มใส่ท่านก็เดินไปตามหลังไปเรื่อยรอยอื่จากนั้น ไปเห็นท่านอาจิชิได้อาหารพอสมควรนั่นก่เดินออกไปห่างจากย่านชุมชนท่านก็มองซ้ายแหลกขวาหาที่นั่งอุปติสารนี่กักุลีกุจอเข้าไปกับไปหาจัดที่นั่งถวายจากนั้นก็ถวายเสร็จแล้วก็ถวายน้ําท่านท่านอาจิชิก็สันอาหารพอสันเสร็จแล้วก็สารีบุตรก็เข้าไปถามพระอาจิชินี่แหละ พอไปถาม พ, พระอัจฉิยะก็พูดให้ฟัง อ, อพระอัจฉริยะท่านรู้ว่าสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาพระสารีบุตรถามว่าท่านชอบใจในศาสนาไหนในศาสนาอาจารย์ของท่านเขาสอนอย่างไงเอออันนี้ก็ท่านอัจฉริยะก็บอกว่าอาตมาเป็นผู้ใหม่ในศาสนายังไม่ชัดเจนท่านถ่อมตัวอย่างมากๆกันท่านไม่ได้กางนะ ท่านไม่ได้กาท่านทอมตนทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านจะพูดยังไงก็ได้แต่นี่ท่านไม่ท่านว่าอาตมายังเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นผู้บวชใหม่เอ่แต่อัตมาจะอธิบายธรรมะให้ลึกซึ้งละเอียดละออนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ฉาจารยบไก้บวบอเอาเถอะท่านผมขอฟังหัวใจเท่านั้นน่อยพระพระพุทธเจ้านี่ยศิทธาเลยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ธธา ย, ย, า ย, ายอาจารย์ของท่านเนี่ย พูดประเด็นไหนที่เป็นหลักประเด็นหลักหัวใจของของศาสนาเนี่ยนี่แหละจากนั้นพระอาชาชีท่านก็เลยเทศให้ฟังหัวใจที่ว่า เ, เยธรรมมาคือเรื่องเกิดดับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระสาริบุตรได้ฟังเพียงแค่นั้นได้สําเร็จพระโสดาบันทันทีเพราะท่านบารมีของท่านแก่กล้าและบางเต็มที่แล้ว จากนั้นข้อถามว่าท่าน อ, อาจารย์ของเราอยู่ที่ไหนพระอาจชีก็าไปนู่นอยู่วัดป่าเวลุวันแต่นี้นท่านก็กลับมาก็มาพูดให้มาหาพระโมกคลาที่เป็นสหายกันที่ตั้งกติกากันไว้พอมาพูดให้ฟังโมกขลาก็ฟังที่ภาษาลิีบุตรพูดให้ฟังสำเร็จพระโสดาบัน อ, อีกจากนั้นก็ได้ชักชวนบริวารเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า จากนั้นก็ได้บําเพ็ญพระโมกขลาก็7วันท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนพระสาลีบูตรนี่ท่านได้15บห้าวันท่านจึงได้สําเร็จพระอรหันต์ได้สําเร็จพระอรหันต์ทีหลังพระโมกขลาอย่าก่อนที่จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ของพระสารีบุตรนี่ก็แปลกอีกเหมือนกันนะคือวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่ถ้ำจุกรขาตาบริเวณกรุงราชคือนะ แต่ในทีนคณาขะที่เป็นปริพายชกคือนอกบวชนอกศาสนาแต่เป็นหลานของภาษารีบุตรสืบสอบข่าวว่าหลวงลุงของตอนเองเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาแต่ทำไมมาสยบมายอมพุทธเจ้าเอาได้ง่ายๆเนีย่ย응ทไมมายอมสยบกับพระพุทธเจ้าได้ง่ายๆคล้ายๆบบความไม่พอใจของท่า น, นมีอยู่ในใจ ท่านก็ตามเดินตามมาเอมาเตือนเขามามาเห็นพระพุทธเจ้าท่นนี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็นั่งข้างหลังพระพุทธเจ้าท่านก็ถือพัดขึ้นมาก็มาพัดวีพระพุทธเจ้าอยู่ทางด้านหลังเอเอ เ, อเอ้คาดว่าทีคณะขาเนี่ก็คงจะไม่พอใจอย่างมากขนาดหลวงลุงตัวเองยอมถึงขนาดนี้มันเป็นผู้มีปัญญาเลิศในกรุงราชคฤห์วางงันท์ ทีนี้พระพรองค์ก็เทศให้ฟังพูดให้ทีคณะะฟังทีคณะะก็ ฟ, ฟังฟังฟังไปแล้วอ mm hmm. ที้ท่านก็พูดขึ้นมาแบบไม่พอใจทีคณะท่านสมรัโคดมข้าพรเจ้าไม่พอใจในในเรื่องที่ท่านพูดมาลักษณะอย่างนั้น่ะคลาา้ายๆว่าปรามัดไงต่อหน้าพ mm hmm. ระพุทธองค์ท่านก็ซ้ำท่า บ, บอกว่า เทขณะค่ะท่านควรจะไม่พอใจในความคิดเห็นของท่านอันนั้นอีกด้วยไม่ใช่บ่าไม่พอใจของคนอื่นเนพระพุทธองค์วาให้ไม่พอใจในความคิดในใจของท่านอันนั้นอีกด้วยที่พระพุทธองค์ตัดคํานี้เท่านั้นเองภาษาริบุตรนั่งอยู่ทางหลังได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์เนี่ยน่อากการบรรลุพระอรหรันต์ ให้ค่าบทสรุปแล้วก็คืออย่างถึงใจ อ, อ, อย่างถึงความรู้สึกรู้แจ้งเห็นจริงในใจตัดสรุธรรมในใจออท่านภาษาริบุตรก็ได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟัง พ, พระพุทธองค์เทศให้หลานคือทีขณขะปริพาชกฟังนี่อันนี้ก็คือการตัดสรุธรรมของภาษาริบุตรนี่แหละความเป็นมาของพุท ธ, ธาศาสนา ความเป็นมาของพระพุทธเจาจากนั้นแต่ท่านก็ได้มาเผยแผ่ธรรมะออกมาเป็นเรื่อยๆจนพระสงฆ์มากมายขึ้นมาจากนั้นท่านคือบัญญัติวินัยเกี่ยกวกับการเข้าพรรษาออกพรรษาเรื่องวินัยต่างๆพอมีคนหลายคู่หลายคนมีพระเข้ามาบวชเข้ามามากการกระทำความผิดไม่อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยก็มีพระพุทธองค์จึงบัญญัติวินัยขึ้นมามีเหตุซะก่อนจึงบัญญัติวินัย เป็นอันเป็นอันไปจนถึง227ศสิกเขาบทเรื่อ ว, ว่าศีลในภพภะปฏิโมกศีล น, นอกภพภะปฏิโมกคือศีลอภิสมาจารย์ก็มากกว่านั้นนี่นี่หลวงพ่อได้บรรยายได้พูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเหมือนที่จะให้พวกเราศึกษาแนวทางพุทธประวัติหรือ ว, ว่าแนวทางของวันอาสรหะบูชา อย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายมานี้ก็คงจะยากและหาเวลาได้ยากเพราะฉนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเออพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมนั้นเป็นมาอย่างนี้อันนี้ก็คือแนวแถวคือเป็นเบื้องต้นในการปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาปลูกศรัทธาในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปลูกศรัทธาในที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ธรรมตัดรู้เรื่องอะไร แต่สำหรับพวกเราท่านทางหลายทีนี้ในเมื่อฟังอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับเราได้ฟังแต่เรื่องของท่านแต่เรื่องของเรานีเป็นยังไงอันนี้ก็ให้โอปัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวพวกเราอีกทีหนึ่งทีนี้เมื่อฟังคำของคนอื่นแล้วก็ควรจะเอาเป็นตัวอย่างหรือว่านามาประพฤติปฏิบัติปรับปรปุงกายวาใจาใจของเราที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรม ท่านบริกรรมภาวนากรรมฐานอะไรหลวงพ่อก็ได้พูดว่ากรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉนั้นวันนี้พวกเราท่านทางหลายที่มาปฏิบัติธรรมในที่นี่นะในเมื่อได้ฟังสัมโมทิจกถาหลวงพ่อจบลงไปแล้วพวกเราก็นั่งขัดสมาธิเมื่อนั่งสมาธิแล้วกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก หายใจออกสั้นหายใจออกยาวให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นก็สําหรับพวกเราที่เริ่มหรือตั้งต้นใหม่ไม่รู้ว่าการภาวนากําหนดลมหายใจนั้นไม่รู้จะจับได้ยังไงตรงไหนเพราะเราไม่เคยปฏิบัติไม่เห็นกระทั่งลมทั้งที่ลมอยู่ในจมูกของเราเข้าออกอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าคนไม่มีลมหายใจเข้าออกไปว่าคนนั้นตายแต่เราก็จับไม่ได้เพราะนั้น ถ้าหากว่าอยากจะให้จับลมหายใจเราก็หายใจแรงๆาดูนะกําหนดลมหายใจแรงๆดูสักสองสามสี่ห้าหกครั้งจากนั้นลมกระทบที่ไหนลมกระทบที่ดั้งจมูกหรือลมกระทบที่ปลายจมูกเราเอาสติจับตรงนั้นทีนี้กําหนดอยู่ตรงนั้นให้จิตอยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปที่อื่นเวลาลมหายใจเข้าเราก็บริกรรมว่าพุทธเวลาหายใจออกเราก็บริกรรมว่าโท แต่ทำใจให้สบายๆอย่าไปเกรงอย่าไปกึงอย่าไปกดลมหายใจจนเกินไปให้เป็นธรรมชาติที่สุดอันนี้คือวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเบื้องต้นนะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกภาวนาพุโทโธพุทธโธแต่บางคนบอกว่าจะนั่งนานเท่าไหร่อันนี้นานเท่าที่จะนานได้ แต่อันดับแรกเราอาจจะตั้งนาฬิกาก่อนก็ได้เอาเข้าไปเจ้าจะนั่งสัก20นาทีวันนี้เรานั่งดูโทรทัศน์ดูหนังฟังรำเรายัางนั่งได้อันนี้เรานั่งปฏิบัติธรรมสัก20นาทีทดลองโดยซิแต่บางคนพอนั่งภาวนาเข้าไปหน่อยหนึ่งว่าปวดแข้งปวดขาจะทาไงมันจึงจะไม่ปวดแต่เวลาเรานั่งดูหนังฟังรำ เป็นชัช่วโมงๆปวดแข้งปวดขาไม่เห็นบ่นกันนะแต่ว่าเราจะนั่งภาวนาเอาจริงเอาจังนั่งภาวนาเพื่อบําเพ็ญกุศลเนี่อหาเรื่องใส่ตัวเองว่าปวดแข้งปวดขามก็มีแข้งมีขามก็ต้องปวดเป็นของธรรมดาเพราะฉนั้นถึงปวดเราก็ต้องอด เ, อเราดูหนังฟังลําอย่างอื่ น, นเรานั่งเล่นพูดคุยกันเนี่ยนมนานมันก็ปวดเหมือนกัน เ, นเราไม่เห็นบน่นเห็นว่าแต่พอมานั่งภาวนานั่งหน่อยเดียวว่าปวดแข้งปวดาขาก็มาบ่น เออว่านั่งภาวนาปวดแข้งปวดขาอ่าอันนี้แปลว่ากิเลสในใจของเราสแสดงออกมาทั้งดุ่นว่างั้นเถอะปกป้องไม่ให้เราสั่งสมคุณงามความดีไม่ให้พวกเรานั่งสมาธิภาวนา อ, อยากจะให้ตัวเองเดี๋ยวจะให้เราเนี่ยอยู่ในโลกวัตะสงสารนานเท่า น, านั้นไม่อยากจะให้พ้นทุกข์ในวัตะสงสารไปได้กิเลสดึงไปอย่างั้นเรียกว่าพยามาณอ่า ขันธมานกิเลสสมานเทวบุตรตมานไม่ให้ใจของเราออกไปสู่มรรคสู่ผลได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะเวลาจะปฏิบัติคุณงามความดีต้องสู้ต้องบำเพ็ญต้องสู้ต้องตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆบํบำเพ็ญนั่งภาวนาอย่างน้อย 20-30 นาทีทดลองเลสิเป็นยังไงในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบนะถ้าว่าพวกเรา บำเพ็ญเอาจริงเอาจังแล้วจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบใหม่ๆเมื่อก็ธรรมดาเหมือนกับเราฝึกหัดให้เด็กทํางานอย่างนั้นอ่ะให้เด็กทํางานมันก็ต้องทะเลถลายเอแต่ต่อไปต่อไปเมื่อเด็กรู้ผลของงานรู้ว่าทํางานนี้เพื่ออะไรทําไมจึงต้องทํางานอย่างนี้ในเมื่อเขารู้ผลของงานแล้วมันเกิดประโยชน์เขาขยันเอง อันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งภาวนาทีแรกยังไม่เห็นผลมันก็ทะเลทรายแต่ถ้าพอเราเห็นผลแล้วจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเออจิตสงบมีความสุขอย่างนี้เองตอนนี้ความหมัน่นความขยันก็จะเกิดขึ้นออในตัวของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทดลองนะตั้งอบตั้งใจประพฤติปฏิบัติต้องทดลองทดสอบในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง เออพอนั่งภาวนาไปบางคนก็นั่งภาวนาไปจิตละเอียดลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดเข้าบางคนลมหมดไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ก็เคยมีนะอันนี้ก็เมื่อลมละเอียดก็ให้มันละเอียดไปถ้าลมหมดก็ไม่ต้องตกใจเอาสติจับอยู่ที่ตัวผู้รู้ใครว่ารู้ว่าลมหมด ใครว่ารู้ว่าลมหมดเอาจะตจับอยู่ตัวผู้รู้เท่านั้นละ่ะมันไม่ตายหรอกมันไม่ไปที่ไหนหรอกหยูดกับตัวผู้รู้นั่นเองจากนั้นก็คงจะสงบลงไปเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดลงไปอีกนี่แหละวิธีการปฏิบัตินะเอ่อถ้าว่าจิตสงบเข้าไปแล้วนามาพิจารณาพิจารณาอะไรอันนี้คือใช้ปัญญาอันทั้นคือสมาธิ ทำจิดให้สงบจะแนะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาร่างกา ย, ยาแยกส่วนแบ่งส่วนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าที่พระพุทธเจ้าวัดทวนกระแสของโลกนั่นนะให้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีโครงสร้างคือกระดูกอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากระดูกของมนุษย์เนี่ยสามร้อยตันแต่ถ้าว่านับกระดูกอ่อนเข้าไปกว่านั้นเอออันนี้เราไม่ว่ากันว่างั้น่ะ เ, เพียงแต่ว่าผู้ใจเจ้าว่า300อท่อนกักระดูกในร่างกายว่า300ท่อนมันเป็นโครงสร้างกระดูกจริงๆในร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่มีโครงกระดูกอยู่ข้างในเป็นไงอหมมันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นโครงสร้างอยู่ข้างในก็คือกระดูกเพราะนั้นพิจารณาถึงร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยคือกระดูกแต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่จะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องแตกในที่สุด ไม่มีใครที่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายได้ร่างกายเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเอาสาระเอาประโยชน์กับร่างกายนี้เป็นอนันตการคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะยึดร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องทนทุกข์ทรมาน อ, อย่างมากๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติวันนี้หลวงพ่อได้พูด ธรรมะแนวภาคปฏิบัติหรือว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของวันอสระบูชาให้พวกเราได้รับหูรับทราบได้ศึกษาจากนั้นก็เรื่องกิจตภาวนาสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายเึ่งกิตภาวนามีความจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราไม่ว่าครวัตญาตโยไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจำเป็นโดยการทั้งนั้นเพราะว่าพวกเราต้องการความสุขความเย็นใจ ต้องปฏิบัติต้องภาวนาแตาถ้าว่าพวกเราไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติจิตใจของเราจะว้าคุ ณ, คณมัวจิตใจของเราจะว่าเวอ้างว่างทนทุกข์ทรมานด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ถ้าว่าเราชําระจิตใจของเราได้แล้วจิตใจของเราจะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจของเราปล่อยวางจิตใจของเราหลุดพ้นจากกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่น โดยประการทางปวงธรรมะของพระพุทธเจ้าถ่าจะว่าไปแล้วไม่ไปที่อื่นนะอยู่ที่ใจอย่างที่พระสารีบุตรที่ท่านได้ตัดสู้ธรรมนะ้อพระพุทธเจ้า่าท่านควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยอนะอันนั้นคืออะไรท่านย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้นะ่ะ ใ, ให้ปล่อยวางจุดนั้นที่ใจนั่นนะไอพระสารีบุตรฟังเพียงเท่านั้นนะได้สาเร็จเป็นพระอรหันต พอนั้นสรุปแล้วก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนที่ตัวตัดสรุจร้จริงๆหรือบรรลุธรรมจริงๆอยู่ที่ใจตัวที่ดูรู้นั่นะอยู่ที่นั่นปล่อยวางที่นั่นจิตใจจะดุดพ้นจากที่นั่นเป็นอริยบุคคลขึ้นมาโซดาสกทาอนาคาพระอรหันต์ขึ้นมาจากจุดนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นาการพูดการแสดงสมุนียกถาก็เห็นว่าพอสมควรอขอ เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเอานั่งสมาธินะที่นี่น ะ, ะนั่งคัดสมาธ์กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพทรุพทธโธพุทธโธจักชั่วระยะหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อจะบอกว่าถึงกำหนดเวลาแล้วก็ออกจากสมาธินะ